อาคัจาณสัพพะกิริยาคือความทางเป็นต้นว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทากุศลเขชื่อว่าอาคัจญาณในอาคยจญานั้นท่นานาประกอบดว้วยเวปานการบวชวาจาบุรุษการวางใจเพื่อเป็นเครื่องหมายเนื้อความให้กับ วิปานวานตามจำแนกไปเพื่อเป็นเครื่องมาให้โรู้การบวนวาจารณบุรวษจะเป็นแปดหมวดในหมวดหนึ่งหนึ่งมีสิบตองวิภปปานี้วัตามานวิปานแปลว่าอยู่ย่อมจากติอันติติตามมีมาเตอันเตอเตวาเอเอมาเอปันจะมีวิปานแปลว่าจงสึกก็ สัมมิมาสังฆสัสุวะโหเอามาเตตาตามเวปาแปลว่าควรเปลืองอายะอายุงอายสีอายธาอายามีอายเอธาเอรังเอโตอยวะโหอายะอายมายวปานแปลว่าแล้วเอต สันติวิคัแปลว่าจางาสติซาสันติซาสติสติซาสามิสามาซาสเตซาันเตสติซาสวหิซาังสามหิกาลติปติวิา สัตสัตสสัตสมสัมมังสัตสัตสัตสงโกสัตสสัตัสสัมงการในกายญาณท่านแบ่งการที่เป็นปรานได้สการกาที่เกิดขึ้นจากพ่อการนันเรียกว่าปัจจุบันการหนึ่งการที่ล่วงแล้วเรียกว่าอดีต าา ป, ปัจจุบันการจะเป็นซ้ำปัจจุบันแท้หนึ่งปัจจุบันใกล้อดีตหนึ่งปัจจุบันใกล้อนาพจน์ออดีตาการงานจะเป็นซ้ำเมื่อนการเกิดล้วงแล้วไม่มีกำหนดหนึ่งล้วงแล้ววันนี้หนึ่งล้วงแล้ววันนี้หนึ่งอนาพจน์ตา จะร e ู้ได้ต้องอาศัยวิปัสสังแปดหมวดที่กล่าวแล้วว่าตามนาวิปัสส์บอกปัจจุบันนาการปัจจุบันแท้แปลว่าอยู่พิจูนธรรมังเจตสิทธิ์แสดงอยู่เส้นทางปัจจุบันใกล้อดีตแปลว่ายู ข้าพระเจ้าให้บุหันัาวามีเวตาลบกความยอมตามความกำหนอนความรังเกงบอกความยอมตามแปล การตั้งแต่วันนี้ แค่ทีเดียวก็ไม่ได้บางครวปราสาโบวันเป็นกามาวาจวังและปาวาวาจวังก็งมีเมือ่อสัมบารีวาติตโตเมนาวิจติคนเช่นกับด้วยเราอันไกลไกลยอมมาไม่ได้นาจารปาติรูปเปนอานหนึ่งอันไครไๆ เมื่อทำบาลิวาปิยะโตจยเตโซโความตกย่อมเกิดแต่พที่รเป็นตนวาจานาวิปนา Yeah, uh right. -huh. Uh -huh. ม า, มาอย่างข้าจมาพวกเราไปทาเวปะให้บอกการบทบว่าชนะบุรุษเหล่านี้สำหรับประอกอบกับทา่ทาท่าเกิดที่เาสับเเป็นมุลรักท่านจัดรวบรวมไว้เป็นแบดมวลตามพวกที่ประกอบด้วยปัจจัยเป็นอันเดียวกันหมวลกูท่าลงอาเอปจ ความมีความเป็นเพราวะว่าิย่อมมีย่อมเป็นหูทัดเป็นไปในความมีความเป็นโพติย่อมมีย่อมเป็นสิทาดเป็นไปในความนอนสิสิเสียติย่อมนอนมารดา ไปในความตายมาราติย่อมตายปัจจัตตเป็นไปในความหงุดความต้มปัจจติย่อมหงุดยอมต้มอิกขาติเป็นไปในความเห็นอิกาติย่อมเห็นลาปัสไเป็นไปในความได้ลาปัติย่อมได้ธรรมตาตเป็นไปในความตายกาจัติย่อมตายมวดโรจตาตลงอาเยปัจจา โรสตาตเป็นไปในความการความเปลี่ยนโรสชาติรุนเตติยอมปิมดโมจจาติเป็นไปในความปล่อยโมจติยอมปล่อยปุจจาติเป็นไปในความเกิด ปุจจัติย่อมเกณฑ์พิธาตาเป็นไปในความต่อยเปี่าติย่อมต่อยเลปตาตัเป็นไปในความฌาบเปลืตาติย่อมจาบหมวดเทวตาดลมย่ปัจจัยเิวตาดเป็นไปในความเลนเิปาติย่อมเลน ในความเยี่ยมสิทธาสิย่อมเยี่ยมโพชฌเป็นไปในความปโกรธโพชฌสิย่อมัตัโรกิาเป็นไปในความเส้นเกยรติย่อมเส้นโมหะเป็นไปในความหลงอดิย่อมหลงโมตชฌานเป็นไปในความเลื่อมโมตฌสิย่อมเลื่อมราชตานเป็นไปในความยอมรา สิตยมยมมุจจะาเป็นไปในความหลดความพปนมุจจะิตยมยมปนพิธาธาตเป็นไปในความแป่งพิชชตสิตอมแต่งมวดโสธาตลงโนนนาปจัยโสธาตุเป็นไปในความฟังโตนาติตอมความวุฒานเป็นไปในความลอยบุนาติตอมรอยสิตาเป็นไป ความปวสีนสียอมปวดหดจิตาลงนาปัใจจิตาเป็นไปในความเสื่อ no th ินาสียอมเสื่อจิตาเป็นไปในความจำนาจินาสียอมจำนาตัวาเป็นไปในความจำจาตัวนาสยอมกำจานจิตาเป็นไปในความก่อความสังสมสีนาสยอมก่อยอมสังสมโลาต เป็นไปในความเกี่ยวความตานโลนาสีย่อมเกี่ยวย่อมตานยาธาตุเป็นไปในความรู้ชานาสีย่อมรู้ปูตาเป็นไปในความปัดความโปรยปูนาสีย่อมปัดย่อมโปรยมอคกาทาลงหน้าตานลงหัวตานเป็นไปในความถือเอาคันหาสีย่อมถือเอาหมอดาตานลงหัว ในความแปรไปตาโรติย่อมแปลไปการาตาตเป็นไปในความตางกโรติย่อมต่างสกการาเป็นไปในความอ่านสักโกติย่อมอ่านจาการาตเป็นไปในความเตื่นชาโรติย่อมเตือนบอดจุราตเป็นไปในความลารัก ตาญาติย่อมรักตาตาตาเป็นไปนในความตนนืร น, นาตาเกศิตตาญาติย่อมเื่งรักตาาเป็นไปในความจำนอนรักเกศิลรกตาญาติย่อมจำนอนมันตาตาเป็นไปในความปรึกษามันเกศิมันตาญ yea. าติย่อมปรึกษาจินตาตาเป็นไปในความ ย่อมกิสตกรมตากมตาในธาตัเปหมดนี้้าตุเราเป็นธามีกรรถ้าตุเหาเป็นธาไม่มีกรรมาเราใดไม่ต้องเรียกธากรรคือสิ่งอันบุคคลบึงต่าง้าเหล่านั้นเรียกว่ากรมมตาธาไม่มีกรรถ้าเราใดเรียกธากรรม้าเหล่านั้นเรียกว่า วาจกิริยามที่ประอบด้วยเิปการบ่อนวาจนาบุรุษท่านี้จะเป็นวาจกคือกรรบดที่เป็นประธานของกิริยาหอย่างเกิดสุวาจกหนึ่งธรรมวาจกหนึ่งภาววาจกหนึ่ง กิิาศัดิ์ใดคผู้ทำคือสาเตว่าเป็นกิริยาของผทำนั่นเองกิริยาศัก์นานชื่อว่ากสตัวจมีมุอนว่าโสท คีเรียต้องทำนั่นเองคีเรียตัดนั่นธรรมวาจมีโอาอนวาสทนาอชาโนปยาเข้าสงฆครูอุอยู่ภาววาจงรีย ใจในคนผิดทำ อสิ่งนั้นจกเรยาสันานเชื่อว่าให้สุกรรมวาจดมีโอา อาเยโนานานโอนาปัจจัยตัวนี้แบ่งลงในธาตแปดหมวดนี้อาเอปัจจัยลงในหมวดภูา เปรตจระยเต็ในกรวาจลงยาปาใจกับท่านอภิรมณายาอุทานดังนี้ปัจจิยเตศีนยเตเป็นตนในบาววาจงลงยาปาใจยอุทานผู้ยาเตเป็น